เพนั้นพวกเราถึงจะได้เป็นส่วนน้อยก่อนนับว่านั้นก็คือคุณงามความดีเหมือนกันเหมือนกับเราได้เงินถึงจะได้น้อยก็คือเงินถ้าไม่ได้เฉลยแปลว่าไม่ได้เงินนี่เหมือนกันถ้าพวกเราได้น้อยคือได้บุญคือคุณงามความดีถ้าได้มากก็ยิ่งดีแต่ถึงไม่ได้เฉลยก็ไม่ดีต่อไปตั้งใจสามาทานศีลน่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 ด้วยกายคื อ, คอการกระทําวาจาคือคําพูดใจคือความนึกคิดของผมผมนึกคิดผมนึกคิดซะก่อนผมจึงพูดออกมาการกระทําออกมาการกระทําออกมามันผิดที่ผิดทางการแสดงว่าคิดไม่ดีแล้วเมื่อคิดไม่ดีการกระทําออกมาก็ไม่ดีการพูดออกมาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระสงฆ์หลายก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ยินดีสรุปแล้วก็คือไม่ให้โกรธ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 อแต่ตามมิจริงท่านบอกไม่ใช่เรื่องของรถนะเอรถมันไม่มีอะไรมันต้องใจสิท่านกระดิน้อมมหาตัวผู้รู้เนี่ยคือนามธรรมมโนปุพังคมาธมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจจากนั้นท่านมาดูใจตัวใจมาดูใจคือตัวนึกคิดปรับปรุงคิดนั้นคิดนี้ปรุงนั้นปรุงนี้อันนี้คือนามธรรมมองไม่เห็นะ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 เป็นผลมาถึงปัจจุบันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วตัวนั้นแหละจะติดตามเราไปในภพหน้าชาติหน้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะท่านําถ้าทําอนันตรยกรรมห้ามาตุคาศตฆ่าแม่ปิดทุกขาศตรฆ่าพ่ออรหันตะฆาตฆ่าพระหันโลหิตตุบาททาร้ายพระพุทธเจ้ายังโผล่หิตให้ห่อ